บางธรั้งและบางครั้งผู้พูดไม่มีภาษาศาสตร์อะไรแปลยากจะแสดงเพื่อเป็นส่วนเดึ่งของชีวิตเราเรมีส่วนร่วม ทุกคนแม่ว่าจะไม่ค่อยจะมีรสชาติอะไรมากวาแใจก็มีประโยชน์นเมื่อเกิลดล่าคอางหารบางอย่างก็ปรุงเกินไปบางที่ก็ปรุงเกินแต่ว่ที่ก็ไม่ปรุงอะไรมากกว่าวมุ่งถึง เองไ mm hmm. ด้แล้วแต่ชีวิตของเราเนะ่ยจะรู้อะไรก่อนจากนั้นเราก็ควรู้ตัวเองการรู้ตัวเองไม่ใช่ส่องไปจบส่องเงานในการจบการรู้ตัวเองก็คือกรรมฐาน มีจะติกเป็นดวงตาลูก่อนมาเนอะลู่ตัวเองน่ยมันอืินไวที่หลังก่อนแหลตาลู้จากตัวเองก็ม่งจะลู้ไปที่ห้ายหย่างคือลู้ธามะลู่ธมบคือลู้ตัวเองเน่ยมันเป็นไงลูกตัวเองว่ามันลู้เป็นนาว ลูกก็เป็นทาลูกก็ทํานามก็ทํากามดีทําชั่วทํามันหนึ่งมันเป็นธรรมชาติธรรมดาว้นหนึ่งมันทำเป็นการกระทําที่มันเป็นกรรมทําดีเป็นใจดีทาชั่วใจ ช, ชั่วลูกเนี่ยโตออมทํา มันหน่งธรรมชาติธรรมดามีอยู่ในรูปนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนมันโกรมันโลกมันหลงมันมีสุกมันมีทุกข์บางอย่างมันคิดบางอย่างมันก็ไม่ทุกข์ เรื่อความหลงมันไม่ผูกเรกกมกามโกรกก็ไม่ถูกกวามทุม ก, ก็ไม่ถูกก็าไม่หลงความโกรก็ไามทุกข์มันผูกตอนนี้ลูกทำนามลูกทำนามทำที่เราเกิดจากวันลูกบนนามนี้แล้วก็เกี่ยวเพราะมันถูกต้องแล้วมันูกใจ อยากให้เป็นความชอบใจก็ชอบใจแต่ไม่ถูกต้องก็ถูกต้องอาจจะไม่ชอบใจก็มี้มันแจงหน้าแจงหลังหนังน้ำเลยบางทีมันก็เดี่ยนเปลนลูกแกต่ได้จับ ตเป็นทุกข์นาน้ำา้เป็นทุกข์พรลูกลูกเกิดทุกข์านาน้ำาเกิดทุกข์พรลูกก็มีถ้าเราลูกนะถ้าเรารูม้มันก็แล้วก็กลมเกลกันเป็นทางต่อกัน โลกโลกของโล ก, โล ก, ก, กโลกบางอย่างรักษาจริงัหลายไม่รักษาก็ตายโลกวังอย่างไม่ต้องรักษาต้องไหวไม่โลกวังอย่างรักษากอตายไม่รักษาก็ตาโลกของโลกเนี่ยเราก็ต้องเกี่ยวขอ้องอันนี้มันเกิดโลกเพราะ ลูกนามไปทํำผิดมันก็เกิดโรคได้สั้งโรคนามทั้งโรคลูกแต่เราควรรูร้จักดูแง่ด้วยแง่ความไม่เที่ยงของลูกไม่ต้องรักษาแต่แเราก็ไปทุกข์เพราะความไม่เที่ยง ถ้เรารู้มันมันก็ไม่ต้องเป็นทุกเป็นทุกปกครองไม่เที่ยงทาไมมันปกคองไม่เที่ยงมันก็อยู่อย่างนั่นของลูกมันไม่ฟางเสียงใครมันก็ไม่เที่ยงแต่ไม่จะเลยไปก็อยู่ที่ไหนก็ไม่เที่ยงอันตรានไม่เที่ยงเดียวกับใครก็ไม่เที่ยงเรื่อกับที่ไหนเวลาใดก็ไม่เที่ยงลูก อนทุกของขอนกรมไมเที่ยงถ้าเราไม่รู้จะเป็นทุกแต่ถ้าเราลูกก็เป็นคนทุกไม่มีควาทุกในกรง ม, มเที่ยลูกจะเป็นทุกก็เป็นนั่นของลูกลูกบรทุกนี่ไม่ได้รักษา ความไม่เที่ยงก็ไม่ใช่รักษาความไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่รักษาแต่ก็มีภาระต่อเราเมื่อเราไม่รู้มันน่ะไ ม, ม่ใคย ร, รักษาได้ความไม่เที่ยงความไม่ทุกข์ความไม่ใช่ตัวตัวนั้นมันเป็นของเขาทำ ธ, ธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติแบบหนึ่งลูปธรรมชาติแบบหนึ่งทันมาด้วยกันกับรูปกับน้ำ นี่เรามารู้จักนะนี่รู้จักกฎเดนแต่เราได้มาเดคยามมันเที่ยงแต่เราได้มาเความมันทุกขเวลาได้มาเความมันใช่ตัวตนที่มันแสดงออกเราก็ได้ความดด่นอาศัยความมนเที่ยงอาศัยความมันทุกเป็นฐาน เป็นสิ่งที่บ่งบอกสักเจนความจริ ง, รงในการลูกของเราไม่เป็นอะไรจริงไม่ยกิดอย่างนี้ไม่หลับความพียงของคิตของตัวเองของลูกเหมือนกันหมดรูปชีวิตถ้าเป็นลูกเป็นนามเหมือนกันหมดไม่ว่าอะไรก็ต า, ามสากล กรรมฐ า, านรูอย่างไรรู้อย่างถูกต้องเข็มเกณฑ์แม่นยำนี่ยเราจะรู้อะไรก่อนถ้าจะที่บายทั้งวันทั้งคืนก็ที่บานมันจบเรื่องความรู้เรื่องรูป เ, เรื่องนามมันบอกความจริงมันบอกความไม่จริงมันก็บอก <c oughs> ถ้าเรา ได้สูตรกันดีๆตามบอกทุกโอกาส <c oughs> ไม่มีคำถามใครมันความรู้เราเนี่ยมีแต่ความตกกับชีวิตของผู้พบเห็นต่อไวปจะรู้อะไรรู้ใครเป็นคนทาคำที่สุดกามที่เขาพูดกันมา마่ คนที่สำคัญที่สุดคือคนที่อยู่เฉพาหน้าเราให้รู้จากเขาองแต่รู้ใครเป็นคนสคัมผัสในการใช้ชีวิตของเราคือคนอยู่ต่พาหน้าเราเป็นคนอะไรเป็น ค, คนอย่างไรเรามีเรารู้ตัวเองเราก็จะรู้เขาอองใครเป็นคนสคับายอากาศเป็นคนดีอย่างไรเป็นคนชั่วยอย่างไร เป็นคนฟานอะไรเป็นบัณญิตจังไรเราจะรู้เขาเนี่ยเกี่ยวข้องเขาอย่างถูกต้องไม่มีปัญหาจะไม่มีความทุกข์ถ้าเรารู้จักเราเป็นเกณฑ์จริงๆจะรู้จักคนอื่นตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องเขาอย่างถูกต้องรู้อะไรอีกรู้เวลาใดที่สําคัญที่สุด เวลาไหนที่สําคัญที่สุดสาคัญใช่ชีวของเราเดี๋ยวนี้แหละสาคัญที่สุดเวลานี้แหละสําคัญที่สุดสามควรคันก่อ ว, วิดาทีหน้าสําคัญกว่าชั่วโมงหน้าสําคัญกว่าวันหน้าสําคัญกว่าเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าคือรูปเดี๋ยวนี้เวลานี้แหละเป็นเวลาที่สําคัญทั้งหมด ถ้าลูรู้ไอ้สถามอย่างนีเอจะเกิดอะไรก็าตามนะทุองสมนถ้าเป็นลูกมันจะนอนเวลานี่ลูกเหมือนต้องมันต้องมีการนอนพักอ่อนเขอนอนไม่ได้มีเรื่องอื่นแล้วเวลานอนหรืาตื่นก็เป็นเวลาที่ตื่นแล้ว เวลากินเวลาทำงานอะไรก็เป็นเวลาที่เป็นปัจจุบันไม่มีอะไรไมาแย่งแต่ถ้าเราไม่รู้รเวลานอนมีสิ่งมาแย่งเยอะๆ <c oughs> ความคิดบ้าอะไรต่งตางๆมากมาถ้าเราไม่รู้นะบางทีก็นอนไม่ค่อยหลับก็อนอนมนไม่รู้ก็มีคนงาน มาขอหน้ามนว่าไม่สบายนอนก็ไม่ค่อยจะหลับฝันถ้าหลับก็ฝันอย่าตนหน้ามนแต่จริงแล้วสอนธมาแบบนี้นะเอาไว้รู้ตัวเองเวลานอนมัเรื่องมา้คิดกก็นอนมาหลับก็บฝันนะมันเป็นระเบียบ ด, ดีดีรู้แกมัน มันรู้จักธรรมชาติของมันมจนถึงต่างวันก็ทํางาต่างจิตตัวชั่วโมงทำโน่นทำ น, นี้ก็างคืนก็ให้หลับทักหน่อยทัยกผ่อนแล้วมื่ตื่นตอนกลางคืนดึกดื่นเทีย่ยงคืนก็ก็โล้เออดีก็ไม่มีอะไรอีกต่อไปอ ก, ก็นอนดีนนก็ได้หลับอีกก็ได้บางทีมั ก, ก็บอกร่างหนักกลางโมงมั น, อนบอก ย <c oughs> ี่ดเป็นสัญญาเป็นสัญชาติญาต์ก็จะไปมีอะไรที่มันยากบางทีเป็นหนักไปราะก็ยากเป็นเรื่องยากทำไมก็เรื่องยากเกี่ยว ก, กับลูกกับนามเป็นเรื่องที่สะดวกที่สุดมันหิวก็มาชเรื่องอะไรตา่างๆมันอิ่งก็มาใช่เรื่องอะไรตา่างๆ มันมีแล้เดียบดีดีลาของเขาเขาเหล่ารูกรอบหุดแล้ก็เลยออกมาขอน้ำมนเลยไม่ให้น้ำมนเลยให้น้ำทำสอนธรรมะก็เลยให้าามมาใหยายาหลวงพรกกอนยาดองน้ำพึ้นอย่างดีเลยได้อันนี้ เราทำไปดูว่าใส่อะไรแบบใส่ลูกบอลใส่อ่อนบอลอะรต่างๆมากเคยโดยขึ้นมากกว่าถ้าเรามารู้จับตัวเองเข้าแล้วเรื่องนมันก็จบต้องหมดแหละรู้จับคนอื่นคนใดที่สองฝัญรู้จับคนที่อยู่จะป้อนหน้าเรา คำไม่ดีที่สุดกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราใกล้ๆเราเวลานี้มีใครบ้างมีพ่อมีแม่มีผัวมีแม่มี ล, มมลูกอีกเต้ามีเเพื่อนเนี่ยเรานั่งเลยอยู่ใกล้เรา้หใส่ใจกันสำคัญนะมองเห็นคนที่นั ง, นน ง, นงนอย่างนี้สำคัญทุกคนไม่ใช่ว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีไม่เรืองสำคัญเวลาเนียคนนี่แหละสำคัญลู้คนที่แล้ว ปฏิบัติกับคนคนนี้ดีที่สุดจะไม่ได้บกพ่องอีกชั่วโมงหน้าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันจะไม่ไทาดีต่อกันจะไม่ช่วยอะไรกันไปหมดโอกาสก็จะเฉยไว้ได้ประโยชน์ไม่ได้มีอะไรต่อกันล้วจงทาดีตอ่อคนที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี้ยวันนี้วราจะไม่ได้อยู่แล้วไปพูเก็แล้ว ก็จะไม่ไปอยู่หรอกขอขอให้ความสำคัญคนที่อยู่ข้างหน้า ใ, ใกล้เราเนี่ยเวลานี้ละาดีที่สุดหรอแต่ทำไรก็ทำซงมันหลงก็เปลี่ยนหลงก็ไม่หลงแจะทำความลูกก็รู้หรือนี่เป็นปัจจุบันแม้มันยอดเยี่ยมจริงชีวิตของเราเลยมันเป็นธรรมจริง มันหนาวก็เป็นทำร้อนก็เป็นเต่ามันเป็นธรรมชาติทนหนาวก็ต้องหนาวทาร้อนก็ต้องอบนา้าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้อบกับเราจะแย่จะทำดีกับทุกอย่างแล้วฐบอกว่าไม่ผิดแต่เรารูสักสามอย่างนี่นะดูตัวเราเป็นสูตรให้ทูกคนอื่น จึงทำกับคนอื่นที่อยู่ชาวนาให้ให้สมบูรณ์ไม่เกิดข้าให้รู้จักและเวลานี่ก็สำคัญให้เรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าอยู่อย่างนี้ไปไหนเวลานี้ความจำความสังได้หลักอย่าเป็นทุกข์องไม่เที่ยง นความจริงถ้าเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงมันไม่จริงมันจบไม่เป็นันความไม่เที่ยงมันจะดงอยู่ตลอดเวลาันโลกวันนี้อันใดที่ว่ามันไม่เที่ยงตัวเราก็มีจเจรินก็มีวัตถุนก็มีมันไม่เที่ยลู้หมดแล้วทำนายโลกไปแล้ว ทำนั้ น, นูกแก้งหมดอันตไม่เที่ยงในโลกเนี่ยทุกสัรพสิ่งตกอยู่ในกวาไม่เที่ยงน่นะทุกสัพสกรพสิ่งตกอยู่ในกวบทุกทุกสัพสกรพสิ่งตกอยู่ในกวาไม่ใช่ตัวตนนี่คือรู้กันทั้งหมดพระพุทธเจ้าเนีย จะเป็นเร า, าจะเกียเทียบอะไรกั น, นหนอเป็นบรมังกผู้ที่บอกให้รู้แจ้งโลกสมกับชื่อว่าโกลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกลู่จะแปล เด็กก็แล้วกันโดยเฉพาะลูกคนนี้จะทำอะไรกับสิ่งอื่นวุฒิอื่นไม่ผิดหมอดแก่การงานหมอก่หน้าที่หน้าที่ของลูกของหนังเราทำหน้าที่เยอะแยะไปเลยมันทอดมันชิง ปฏิบัติตามหน้าที่หรืปฏิบัติธรรมธรรมชาติธรรมดากนธรรมชาติกธรรมดาต่อหน้าที่การงานต่างๆก็จะเป็นวงจรของการใช้ชีวิตจะจบสุดท้ายอย่างงดง ถ้าไม่รู้จปตปานะลไม่รู้จากฝตจปตปะลมลกคุกขาดก้ายดีูเพรามันมีอะไรมีรูกทำมีนามทำมีรูปโรคมีนามโรคมีลูกทุกมีนามทุกมีรูปสมมุติมีนามสมมุติมีลูปบุญญาวัตถุอาการประมมากมาย ถ้าเรามาลู่มันก็กนจู่กระจายที่ถุดเลยตายเห็นลูกกระถูกแล้วมองเห็นเป็นลาการการเห็นเป็นลาัการแล้วมีการสมมุติมันอยัดวาชอบว่ามันชอบเป็นสมมุติเกิดขึ้นแล้ว จะดสงไปอุปทานต่อไปอีกชอบไม่ชอบพื้นมั่นถือมั่นทางตาบูทานเกิดตับเกิดตับทำให้ไปไกลส่งไปไกลวิ่งไปไกลล้มไปไกลสุดเอียดจบด้วยการเกิดตาเกิดเจริญจาระการทารกทุก โอ้ยทีเหเสียไปไกลก็เคยเจ็บเกิดตายโอไไิยที่เหเสียเพราะมันมีวัตถุวัตถุกาสมมติตัญญัดถ้าเรา ร, เรู้ควาเพศความจริงก็บอกต้องไปถือฝ่ายโอ้ยทีเห็นเงูเป็นวัตถุฝ่ายนอฝ่ายน น, น, น, น, นเสียงเป็นวัตถุฝายนอ มีการที้เย็นเกิดขึ้นกระดาษการวัตถุอาการสัมผัสกันเมื่อมีอาการเกิดขึ้นมีสมมติบัญยัตต่อไปเมื่อมีสมมติบัตต้องมีอุปทานเป็นพบเป็นชาติเทลามนละไหนอะไรนี้ออะไครบเป็นชาติถ้าเราไม่ดูแลส่งประกาเชียเวลาถ้าเร า, าเราูแลจะพบ ด้วยจัตัวคือจบลงงใายเหมือนกับเท่งก้อนขวดใส่ฝาผนังเราจึงมาได้คำตอบตั้งแต่ที่แรกเลยกห้เรา ไ, ไ, ไปไกลแบบนั้นเลยกันสักแร่ว่าการสัตธรราการไม่ใช่สัตวุกคนโตตนโลหะสุขทุกข์ก็จะก็สุขทุกข์ไม่ใช่สัตวปุ ก, ก, ก, ก, กคนโตตนโลโหะ คิดใจที่มันคิดแท้งไปเฉพาะคิดไม่ใช่จักวบุคคลตนหล่อของท้องที่มัเกิดจากอาการต่างๆของกายของใจของรูปของนามเป็นจัจตว่าธรรมไม่ใช่จัตบุคคลตนหล่อของธรรมนีเราไม่ห ล, หลายมากมากธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายควมโกรก็เป็นธรรมความหลงก็เป็นธรรมควทุกข์ก็เป็นธรรม ความผงซ้อนควาปนทองความดีใจเสียใจความพอใจไม่พอใจความคัแค้นใจความไม่สบายเป็นธรรมทั้งหมดไหวหนึ่งไวหนึ่งก็ความสงบความสงบความได้รับแก้อะไรต่างๆดีไปทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายแล้วไปแต่ถ้าเห็นเรามาดูเจนเรจบลง ไม่ได้เหมือนทิ่งก้อนขวดใส่ขวาขนาดตกลงตกลงธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติธรรมดาเพราะมีตาก็เห็นพอเห็นก็ไม่เป็นอะไรก็ได้ประโยชน์ได้คำตอบได้ความรู้พ้นไดความรู้แจ้งเห็นอะไรก็บอกความเท็จควจริงความโกดไม่จริงความไม่โกรธมันจริงความก่อมการความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริง เาจึงใช้ชีวิตจากชัดเจนเราลูบไปก่อนแล้วใเสียไปก่อนแล้วระเสียไปก่อนแล้วบางทีไปถึงที่หลังก็เห็นทีหลังบางทีอยู่นี่มันไม่มันก็ยังไม่เห็นพอมาเที่ยมใเห็นก็มันทุกแต่เรารูบแย่งแกล้ง แต่ใดๆมันโชู์ก็ไม่แจ้งอ่าแล้วก็ง่ายนิดเดียวเพราะเราลู่ก่อนลนะ้วไม่มีครับว่าทำไมคำว่าทํามไม่มีถ้าลู่ตัวเองแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้พูดกับคนอื่นก็ไม่มีคําว่าทำไม พืก้กฎทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีว่าํำทำใหม่ทำมาจนเป็นอย่างนั้นทําจนเต็มอย่นี้มัน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่พู้ ทำอย่างโทรไปหาก็าพใจหนูเพียนตายแล้วจะขอวันพรุ่งนี้ออเออถามแบาทำไมถึงตาปวยปวยนานไหมประมาณเ็ดแดเดือนทำไมไม่บอกเราป่ยกันตายทำไม ถ้าลองไปดูว่าจะไม่ตายทำามาจึงปล่อยกันตายอย่างนนะัแล้วก็คือท่าทางเสียใจแลมันลืมที่เลืมน่องทำไมมันลืมกันทําไมทำไมไม่บอกคนป่วยคนนั้นไมไม่บอกกันจริงจรนะิงไหมแม้ไม่ตายในรูปลักษณะนหนึ่ง จะช่วยอาจจะช่วยตอนที่มันจะตายมันจะไม่ตายมันจะเจ็บอาจจะไม่เจ็บแต่เนี้ยแล้วพูดถึงความหมายแบบนี้มันใช่ว่าวิญญาณดีมันเจ็บเรามีวิธีมันตายเรามีวิธีกันเนี้ยเพราะเราลูบมันจริงๆลูบลูบลูดามเนี้ยมันก็เหมือนกันแหละเจ็บก็เหมือนกันตายก็เหมือนกันนั่ะแต่ความลูบเป็นสากล บอกไปทุกคนไม่เลือกเพศเดียกวกันไม่ใไ่แต่เพราะญาติพี่นองเล่าทุกคนเนาะเพราะเรารู้จะกเวรจริงรูปว่มามันไม่เชี่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปรู้จริงจรูปนี่เกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไปรูปนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไมควรถือว่าเร า, าของเราว่าตัวว่าตนของเราด้จึงไม่มีก็ว่าเป็นทุกข์ความเก็บเป็นทุกข์ความตายไม่มีถรงเท้อทราบไปลู้แก่เนะี้ยแล้วไม่ตัวอย่างนคนอื่นนีมันรู้น่าจะไม่เห็นพลาดนาะพวกหล่อนรู้ตัวอย่างไงี้นะรู้ตัวอย่างไงนี่เนะี้ ก็มาถานนี่แหลนะมไม่มีที่อื่นใด้รอกดุ้นๆุ้นหุ้นหนี่แหละมันโงรู้นอนะตรงนี้ละศึกษานะมีความรู้เป็นเจ้าบ้านไ้ก่อนก็มาถานคือมาดูแลตัวเองมาดูแลตัวเองคือมาดูแลกายใจ สิ่งวกรรมฐานที่ตั้งของการกระทำทำได้ <c oughs> ไมีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องทุ่นแรงยิ่ยงกว่ารถเทรนที่มายกธรรมะ <c oughs> นะทุ่นแรงมากอันนั้นเป็นวัตถุความหนักที่จุเกิด ภาระหนเวเปัญจักขันธะของอึจมันถือมันเนี่ยมันหนักร ะ, ะหาเวเปัญจักขันธะขันธ์ทางาเป็นของหนักเน้อภาระโรยเจปุกโคลบุคคลเนี่ยเป็นพวกเหล่าของหนักาพาไปภาระเนเชปุรัสังข์ก็จะละของหักทิ้งลง เ, เป็นความ แล้วมาหยิบของผมหนักขึ้นมาอีกเวลาเราหลงเนี่ยเครื่องตุ้นเละกำงานการทำที่ตั้งรู้สึก ก, บ ม, กบมาเนี่ยกาเนี่ยใช่ได้เลยเออหล ง, ล ง, ลงทิศไปนอกภูเก็ตไปสีเที่ยวเรากพ่อไปถึงบ้านสีเที่ยวเรอกวั oh. นลรหลายเที่ยวไหมเพื่อทั้งแม่ มากับหล้านชามาบวดไปกลับมปะลูกปมก็มาดูเลยอ๋อจริงเลยเนี่อยเวลานี่ทา ง, งานที่สุดคิดไปกลับมาใช้เวลานี่แหละสอนมันจริงอ่ะคิดไปโน้นไม่จริงอ่ะพันลูกเรื่องไหมใครที่อยู่ปรเทศลูกเรื่องเอกอตอนนี้พออ่อกำลังคิดถึงเราได้ตอบไปและเขาไม่รูเรื่องเนี่ย ใคร <c oughs> คิดรัชคิดโกรไใครไปลรเขาไม่รู้ <ừ. S 1> เรื่องอย่างน้องตามญาติคนนึ่นไหมลูกสาวไปทา ง, งานที่ยวเที่ยวคิดถึงลูกสาวเขามีบ้านสวนตัวซื้อบา้านจวนสามีไปเยี่ยมลูกสาว่อไปแล้วไปถึงกลางคื น, นปื่ประตูบ้านมิดเงียบเลย รถแท็กซี่ไปส่งเขาว่างไม่ได้นั่งไหล่ลงจนึตื่นเที่ยงคืนลูกสาวไม่กลับมาโยอมกอดตั้งใจดไปนอนนั่งรถต้องเหลือไปไกลทันทีพักผ่อนหัอไหลไข้โนโ้มง ก, กุฎหน้าไม่ได้อานเบ็ดข้าวไว้รอให้ลูกสาวขับรถจอดว่านตึง้งขึ้ น, นบนว่า แม่ทำมาแต่ไหนกี่ น, นายไปไปเที่ยวกับเพื่อนไปทำอะไรไปเต้น <laughs> ไปเต้นหน่อยไปโฟมแม่โอ้แม่อุูสจาห์คิดถึงรูกอย่านลูกลสนุกสนานเต้นําอยู่โน่นหน่อยันจันทร์ ม, ร ม, ม, ามาเชียร์คอมจีนมาทำมาทยอะใช่ไหมบังชิดไปทำมานในคอมจีนมาจะได้รู้ว่าโอ้ผมคิดได้ไง อันคิดไป่จริงนะ่ะอันตัวรู้นี่ไมนจริงมันอะไรที่มันมีแต่ความคิดมนันถึงถูกบรรทุกความคิดเราต้นตรอเรารู้จากมันเราความคิดว่างไปจบกปทุกทําไมเอามาเป็นความชอบไม่ชอบทําไมอ้ความคิดนะ่ะมันใจขนาดหรือมันคือ ไม่ถือเปือมาขู่บังคับให้เราต้องล็อคกคนต้องเกลียดคนหรือคนคิดเนี่ยบางเคยจะคนคิดเฉยโอ้ยอยากจะกนบอกตอานั่นงยกหมนคิดไปนอนคิดไปเนยตอนล็อกที่เกยเกิดมากวามก็มาคิดกวาเกียดที่เคยมาแล้วก็มาคิดเอาคิดนเดีวกันเนาะมันจะหอบขี้เรากระปอ มันคิดถึงคนเคี่ยวก็เคี่ยวเราัใจเต้นมันนั่งอยู่ดีๆเ comp นี่ยมันชิดไปกัหลายรอกัลาหลายรอบหลายรอบหลยรอบหลายรอบหลายรอมันหลอกเรหลอกแท้หลอหลอหลอกอย่้ว่าทุ่งสะดุดจอดรุนแงจนก็ตกจนป่องจนเตี่ยนแปลง ในตัวความอิทิพทธิชาติีกีเดือนอันทั้งหมเป็นสุขควทุกข์ความคิดจะไม่มีอีกแล้วเพราะะรนชื่อว่าอันสุขความทุกที่เกิดจากความคิดจบสิ้นพุทธิ้นชาติคอนั้นอันความสุขที่มีจากความคิดความทุกข์เกิดจากความคิดห่างทาลายกรรมฐาน พลังเข็งท้าพลางนั่งก็โดดความรักกับข่ำไม่ได้ควงช่องกับข่ำ ไ, ไม่ได้ đ ứ n ไม่ได้ลูกบันไดได้เปลี่ยนที่มีค่ามันได้ผิดมันจึงเห็นถูกมันได้ปัญหาเกิดปัญญา มันได้หนักทั้ก็มีเบาื่ปดทัรมาดาทั้งเรล่าทูหลโงพเทียนเนี่ยสอนเลนี่เนาะรู้เลยนี่เนาะหลงพ่เทียนจิงกา้าบอาองคจอตลอดเวลาหลงพเทียนนี่เห็นคนที่เล่เรื่องความคิดให้ฟังน่ย มีเกือบทุกคนเวลาเราสอกับมาถามเนี่ยมักจะเอาความคิดให้ให้เดกลูกให้ได็กสาบเหมือนเหมือนกันหมดบางครก็น้อตาไหลอยู่พูดไปั ง, งความคิดจะคิดขึ้นมาหน้าตาไหลมีไหมโอ้ควมั่นก็ยังไะ เออเราก็รู้เราก็เคยเป็นอย่างนี้แต่ทำไมมันจะไม่รู้เนอะตอนที่ก็าแสดงออกบางทีความคิดมมากหม่กว่ า, มาเรามารู้จักโอวามเช่นผมบังภูเขาเรก็ได้เปลีป่ยนใงตรงนี้เลย ชีวิตใหม่ร่วงพ้นภาวะเก่าล่วงพ้นภาวะเก่าได้จริ ง, รงกรรมฐานทำไมจะไบรูตต้ตัวเองแต่กลับหลอกตัวเองหลอกแผลหน้าตัวโผลนเ่ินหลอกแบบนี้เราชนะได้ปัญญาโลกรูร้ในของสำขาญกายใจรูท้ทำงามทนี่นี่คือกรรมฐาน ท่าที่บอกพูดอย่างนี้ไม่ใช่จำอะไรมามันเห็นมันเห็นเห็นอย่างเดียวกันหลยแทอเคยหลงก็ไม่หลงก็เห็นแล้วเคยโกรธก็ไม่โกรธไม่ได้หลงผู้พองหลงฮะไม่ได้โกรธผู้พองโกรธไม่ไ ด, ด, ด้ทุกข์ผู้พองทุกข์ ขอโชเรื่องนี้ไม่อายใครต้องโกดม่จริงร้อยผมไม่โกดจริงรยปนหลงไม่จริงร้อยผมไม่หลงจริ ง, 100งร้ง100อยปซไม่ต้องสงสัยใครจะเชื่อไม่เชื่ออนนั้นไม่ไมใช่บังคับ ไม่บัคับไเชื่อไม่ไปเห็นหเองมีสติเห็นหเองนะเพราะ ม, มีสติจะไปคะชิดเหตุท้องผลมันไม่ใช่ของจริงเป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่ปรมาสัจจ์ก็ลูกเกิดจากความคิดทีวจินตยาของลูกเกิจดาจาจกพู้เห็นเรียกว่า ภาวนาอยากกินแต่มยปัญญาภามนามยรปัญญาสุดโอดภาวนามยรปัญญากินแต่มยปัญญาช่างต่างสูตรต่ไม่ชปัญญาช่างโต้โต้สุขของปัจจคูผู้บำเพ็ญวิปัสนาผู้ปฏิบัติวิปัสนารุนร่นลุ่ไม่ต้องแบบนังนสิไม่ต้องประกอบคิด เียกว่าสุขวิปัสสโกผู้ปฏิผู้ปฏิบัติธรรมในวิปัสสนาร้วนๆอ่นถงือาางมาได้ตาบอดพิการไม่เกี่ยววิปัสสนาล้วนๆสองทาได้คนตาบอดก็มีความหลงความกอดความทุกข์ไิ่เกิดตัณหาคนตาดีก็มีความโกรธความทุกข์คนิการก็มีความโกรธความทุกข์ ก็เปการคิดเจยใคนความทุกเก่งกอคนอไม่พิการคิดสันนคนคดดดน้นเหมือนจารย์กำพลพูดพูดอยู่เชิงใหม่ว่บคิดั้นว่ามันหมดเมื่อหมดตัวใครเช่คิดเครเป็นครูเครเป็นนักกีฬาใครสอนลูกเสร็จโจ้กํา พาละต่างๆเมื่อมันหมดหลองหยอบไม่ค่าคิดคิคดสั้นจะเป็นไงก็ไม่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราจะอยู่ชีวิตนอนอยู่นี่ตลอดอีกนานเท่าไหร่เพื่อนได้แต่ะคอกคิดสั้นค่ตาตัวตายคิดหมวกพุ่นอยู่ค่ตาตัวตายหมวกพุนอยู่นั่นคิดสั้นเท่าไหร่หนักตัวคนธรรมดาหนะาทางอย่างง่าย พอหมวกวนเขามาเอ๊ะเราจะมาคิดอย่างนี้หรืออะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ได้อคนพิการเนี่ยหาทางศึกษาครรมานเท่าไหศึกษากรรานก็ยกมูอ้ั่งจั่วธรรมดมันจะลองหายใจเขาออ้ารู้ลราคิดไปก่อนรู้ลองคิด มันก็เป็นการเพื่อนหวัดวองลู่พอให้เห็นวิปจารณาด้วนๆดขาวลูปัจจโกต้องเปนเช่นหน่วยคิดปัญญาเช่นในการศึกษาอะไรปัญญาแบบนี้เกิดจากวิจจนากรรมฐานและก็เป็นสูตนเดียวกัน แต่ปัญญาที่เป็นสุดธรรมะปัญญาก็อาจจะได้ต่าัๆนะนะแต่เรามื่อเรีย น, นะยนแบบนั้นเรียนกรรมฐานแบบนี้ยกมือซ้ายจังหวะแบบนี้ดูลมหายใจเข้าออกิษติอบเนี้เรื่จะกลมกับปรกรมารู้สึกตัว่ะเนี้แล้วก็เห็นความคิดเห็นความหลงเห็นความปเป็นธรรมะต่างๆที่เรา ดูแรงมันมูกต้องเห็นมันจะงงตาไม่เคยดูแต่ว่ามันตาภายในมันเห็นเนี่ยเนี่ยจะสอนอะไรก็สอนไปเขาจะวิเศษขนมาไหมก็วิเศษไปก็จะจะเดินจะกลมอยู่นี่ จ, นจะสร้างจะหวาดอยู่นี่แหละแต่ใช้ชีวิตอยู่นี่แหละก็จะด้ห่อเห็นแคหน้อยแต่ว่ามันนี่จะห่อนะคือเที่ยงบินแต่ก็เจ็บ ฮ่าต้องการจะอะไรอยากทำอะ